คืออธินาทานาเวระมณีสิกขาประธางสมาธิยามีก็คือเรื่องของการลักทรัพย์ไม่ทราบว่าหลวงพ่อพอจะมีตัวอย่างยกให้เราได้ฟังได้ไหมคะเห็นบอกว่าหลวงพ่อมีเรื่องออรัพดหนีได้หรื อ, อยังอ๋อัดหนีได้ค่ะอธินาทานาเวระมณีหมายความว่าเบียดเบียนชับเขาแล้วก็ลักขโมยไะยกตัวอย่างอาตมาเลยชอบเล่นการพา น, านัน ครเรื่องการพนานยายมีทรัพย์เยอะมีเงินกลมมีเหรียญบาทเยอะแยะแล้วเล่าตรงนี้ก่อนค่ะและ้วนียายก็ไปวัดต้องไปค้างวัดสามคืนมีมหาชาติ ม, มีเทพ เ, เร่องผู้ประชดะดอนค่ะยายเนี่ยแต่แล้วก็ชอบไปวัดไปว่าแล้วแล้วก็ชอบมีเรื่องผู้ประชบอลในบ้านปีละครั้งมีกระทาพันุ์เลยก็อกาตมาก็ปรึกษายายยายจะไปฟังเทศมหาชาติที่วัดสามวัน ยายห่วงเข้าของเงินทองสมบัติพวกนี้ลวเกินจะรันช่วยยายคิดดิว่ายายจะทำไงดีซ่อในในยายเอาไปซ่อนไว้ซ่อนที่ไหนล่ะฝังไว้ดีไหมยายไอ้ขอมพวกนี้นะมันต้องฝังหาที่มาเหมาะหน่อยนะแล้วก็ฝังไว้ ผมว่ายังไงมันก็ไม่หายหรอกเพราะผมมันจะดูแลอย่างดีเลยหวังว่ามันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะรันนะ่ะอยู่บ้านคนเดียวยายเป็นหว่วงนะยายสบายใจได้เ ล, เลยครับผมมันจะดูแลอย่างดีเลยฝังว่าจะถุนอาขุดไปลึกประมาณศอกหนึ่งใส่หายไว้ใส่หายตะเทียมค่ะฝังฝังเสร็จแล้วก็เอาดินกดแล้วก็เอาขี้ควายาเอาก็พร้อม มาครอบไ่<า>้ทำให้คนไม่สงสาร ย, ยายก็ไปอยู่วัดตะคื้นที่สองเอาแล้วไอ้พวกปนีบันตายมาบอกเฮ้ย<า>มีต่าองอย่างมาโยนหลุมกันเราจะเอาเงินกลมเงินแบนเนี่ยเอาไปขายแล้วได้แลกคัตตังโยนหลุม<า>เราชอบเล่น ออกแบนการพนันทุกอย่างเราก็ไม่รู้อ้นนไรดีในในสุดไปขุด เอาเงินมาเล่นถอยกองไห้หน่อยยายคงไม่รู้นะทำไมมันเลือกขนาดนี้วะเราจำได้นี่ห ว, ว่าเพราะเราขุดไว้ตรงนี้ แล้วกบแมงเดมนี่ว่าเดี๋ยวาจะรู้ว่าเรามาขุดหายไปจริงๆหายไปเลยไม่มีแม้แต่หายเดียวแน่ใจว่าขุดที่เดิมไหมหลวงพ่อที่เดิมขุดที่ฝังไว้ที่เดิมที่เดิมจางแม่ที่เราเป็นคุณฝังนี่ะมีทองสี่เส้นสายจะพายค่ะนะเส้นหนึ่งแปดบาทหรือสี่บาทจัาไม่ได้แน่สองเส้นยายเขาแต่งงานเขาเก็บไว้แล้วก็สร้อยข้อมือ เป็นเบลย์เลยมีทั้งหมดสี่เช่นห่อไว้แล้ววางปกข้างหน้าปกข้างหน้าไอ้ไ อ, อ้หายซีย่ใสนอกนั้นเป็นไอ้เงินจมหมดมหายไปหมดเลยหายไ ป, ยไปเล้แล้วก็ทําไงก็ต้งองเอาดินกลบไปตามเดิมเอายาไว้ตามเดิมแล้วนะ่ะย้ายกลับมาลืมยายไม่เคยพูดถึงเลยอนะอืเราสตังมีใช้เยอะแยะยายลืมว่าโมไปเอาตะบุญทานไปฟังพระเทพ รล้มทรัพย์ของแกดูมายายก็ล้มเจ็บนะล้มเจ็บเนี่ยในเราตอนนี้ก่อนค่ะล้มมาสบายป่วยมันแปลกไปเข้าฝันป้าป้าน่ะคือคือลูกของยายคุณโตเลยค่ะือปลาเรียมคือคุณยายไปเข้าฝันยายไปเข้าฝันแต่ยังไม่เสียใช่ไยังไม่ตายยังไม่ตายมันเลือกแปลกอยู่ไปเข้าฝันว่างอี๋หนูขอประทานโทษนะแะเรียกอีหมา เรียกลูกแกอีหมามึงอ่ะเดี๋ยวกูตายแล้วนะเอาจบไปวัดสามจบแล้วนะมึงมาขุดชับหน่อยอืมอยู่ที่ปากกระชายอหยาาืหลังเรือนสามว่าเดือนสามว่าไอหลานเนี่ยมันจะเอาไปเล่นการพนันเลยชับหนีไปคอยอยู่ตรงนั้นอืเอออีหมาไปขุดเอามานะอิหมาไปขุดเอามาบอกกับป้ า, ป, าป้าพอไม่แน่ใจเพราะว่าเอามาเข้าฝันได้ยังไงก็แม่ยังไม่ตายค่ะ แม่ยังไม่ตายมาเข้าฝันแลเลือดกระหายไปสองปีอสองปีก็ทําศพยายเรี่ยมลอยแล้วป่าก็มาพูก้ฆ่าตมาอมไอหนูจริงเลยวะดูจะถามมึงกระพูดกันอย่างนั้นนไงเนี่ยก่อนที่แม่จะตายคือยายเจ้ามาบอกกับเราว่าทรัพหนีเจ้าจะลับไปเล่นการพนันจริงไห ม, อมเออออนไรน์เลูซะด้วย <c oughs> แต่เราก็ต้องไม่รับเนี่ยค่ะ <c oughs> ทำไมลูกุผท้ายอย่ารับอ่า้องอย่ารับสิบอกว่าหนีไปชายจริงเหรอเราก็นึกในใจเรารู้แหละซับจังหนีได้ยังไงแล้วกป้าก็บอกช่วยขุดหน่อยป้าป้านี่ชอบกินน้ําตาลเมาค <c oughs> ่ะชอบกินเหล้า <c oughs> ก่อนขุดนี่เราก็เหล้าไปจะกินสักขวดหนึ่ง <c oughs> เมาบอกนี้ป้าถ้าขุดได้ผมผมจะเอามั่งนะเออเรารู้นี่จะเอาตรงไหน <c oughs> ขุดไม่ได้ซอกเดียวเจอเลยไม่ใช่ที่เดิมใช่ไหมแต่เป็นป่ากระชายวหนาได้ยัปได้ไปได้เนี่ยทำลายชับชับหนีได้แน่นอนคืองมีเจตนาที่จะไปลักจับเขาเจตนาเราจะเอไปเล่นการพนันซับนี่มันหนีได้นะแล้วหนีไปอยู่ป่ากระชายเขาขุดได้จะทําไง ป้าไม่รู้เรื่องรับรองมีอะไรเพราะเราเป็นคนฝังเองแล้วก็หยิบพอมาใส่กระเป๋าอบอกป้านี่หอนี้ผมเอานะแกก็ไม่รู้กันนูอนว่าเงินกลมแล้วแกก็ได้ไปทั้งหมดเงินกลมันบาทเราไม่เอาให้ป้าไปหมดแต่หอนี้ขอทองทั้งนั้นเลยทองไม่เหล็ตไม่ไม่เมมมดี๋ยวแกจะเห็นแลอว ก, ก็ยัดใส่กระเป๋าตุงเลยซอยสี่เส้นเราเป็นคนฝังเองอแล้วก็ป้าเข้าไป อันนี้ก็ได้ความว่าชับหนีกันแนมถ้าหากว่าสมมติว่าจะเป็นบ้านไทยก็าตามนะจะเป็นบ้านไทยก็าตาม <c oughs> ถ้าคิดไม่ดีต่อชับพ่อแม่ให้ชับมาหนึ่งชัพสองชู้เสียงสามความรักให้กับลูกถ้าลูกคิดทำลายหมดชนะิ้นเนี่ยพูดถึงทางเราคือเอาไปขายกินอเอาไปทำลายชูอเสียงก็เลี้ยงงามก็หมดไปไม่มีคนไว้ใจแนละ้ว <c oughs> ความรักก็ไม่มีต่อประชาชนก็มไม่เคยรักข ยาโบราณเขว่าทองลุกได้เียดได้จริงเนี่ยอืมนี่จะการตัวตวมาเลยประการที่สองก็คืออธินาทานรักตังยายรักตังยายรักไงรู้ไหมขอตังไปช่้อเครื่องลูกเสือร้อยบาทไม่ยอมให้ยายแกไม่เคยเรียนหนังสือสิบบาทพอหลาน <c oughs> ลื้อบาทพอแล้วรองเท้าอีกอ่ะเสื้อผ้ากางเกงกระเป๋ายุกนื่กระเป๋าหนัง ต้อง้อยบาทร้อบาทพอยายบอกไม่ต้องสีบาทพอเราก็เห็นหนาอ๋ออยู่หัวนอนอืมอยู่หัวนอนตังเยอะหมดเดี๋ยวเราต้องรักแล้วยายสอนเราเดินเรือยเดินเบาๆอย่าเดินแงเดินแรงชาปันนี้ทำไมเดี๋ยวแล้วบอกยายชาปนัาปนปนี้แล้วพ้ผมจะจะลักใครมันจะหนีเป็นไหนล้านเรือกอ ง, งความดีขนาดนี้แล้วเราต้องเดินเรียนค่อยๆ เดินลังใหญ่ตีเดินลังใหญตีมีประโยชน์นะคุณยงมีประโยชน์เลยเดินเบาได้ไป็ลักจับยานอนหลับยานอนหลับก็เดินเบาๆมาหยิบไปหยิบไปห้าล้อเดเบาแล้วก็เดินเบาๆลงกระไดไปไม่ตื่นไม่ีประโยชน์มากมีประโยชน์มากเดินเรือนเบาดีนะแต่เป็นบาสนี่คะหลวงพ่อไม่บาปไม่บาปได้บุญอ้าวอ้าวอ้าได้บุญได้บุญตอนมีตังค์ไปซื้อเครื่องรูดเสือ ฟังก่อนคือค่ฟังก่อนได้บุญหลับอาตมาที่ดัเงินไปซื้อเครื่องอุ่นเสื้อเงี้ยห้ารอยบาทเป็นบุญเลยครับอินใจเลยอินยายก็ขับมายายบอกนี่หนูคาตังไปเนี่ยผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องหรอกยายหลงไปแล้วมั้งไม่หลงนับอยู่ทุกวันยิ่งห้คุณแก่ะนับปตังทุกวันยิ่ ง, แ ก, กงแก่มากยิ่งนับมากเลยไม่หลง นะเวลาจะตายแค่นะยังจะบอกว่านี่หลานตังอยู่ที่ไอ้คณ น, นั้นตังที่อยู่นี่นี่แกคนแกลืมที่ไหนละ่ะถ้าให้พนี้ไม่ลืมถ้ายังอื่นลืมได้ธรรมะลืมถ้ามะลืมธรรมะมะลืมธรามะลืมสตังเขาบอกอลาหังอลาหังอเออมึงไปแบ่งข้าวดีกี่ถังวะ <laughs> เออนี่คนแกนะในะที่สุดอาตมาไม่ ย, ยอมรับ รักไปแล้วสำนึกได้<ม>ก็ไปสร้างโบสถ์ให้คุณยายในที่สุดก็ก็ไม่ถือว่าทำบาปเพราะว่าได้ได้ชดใช้ใช่ใ<า>ช่ไงแะ้วไปสร้างโบสถ์ให้ยายค่ะทีนี้มาข้อสามค่ะหลวงพอ่อ การเมสุมิช่าจาราห้ามเเอป็นลูกผิดเมียคนอื่นใช่ไหมคะห้ามนอกใจสามีหรือภรรยาหลวงหลวงพ่อมีตัวอย่างเล่าให้ฟังไหยคะไม่มีตัวอย่างเราอยู่ผู้ผู้ยีิงู้ยามผู้หญิงยังเหลือครับอืกระทั่งที่มีครอบครัวแล้วออืมืมบอกที่มาก็ได้ฐานปืนใหญ่ลูกบี้นี่เองเป็นเวลาโทรค่ะเป็นเวลาโทต้องบอกอเป็นเวลาโทรทหารมาบวชที่สองพันห้าร้อย พอสอนตอกมาราอเขาบวชจริงเลยจะมาก็อบอกผูดมวดอย่าไปผูดยีผู้เย็นผููเยงเรืองที่เขามีลูกมีผัวนะบาปนะเขาพูดยังไงรู้ไหมเขาบอกผมไม่เชื่อ บ, บุญบาปอเอาไม่เชื่อมือบาสมาบวชทําไมตอนนั้นอยา่าไปหน้ากอยู่แม่ผมมาให้บวชเพ่อะแม่ผมก็ท่านชอบกันอารอถ้าผมไม่เห็นกันหน้าแม่ผมไม่บวชให้หรอกพูดอย่างนี้เลยครัผมไม่บวชหรอกแอ้วว่าผมไป็นบาปยังไงผมไม่บาป ก็เมียเขาเนี่ยก็กขาผมตกลงกันตกลงกันนี่นะยินยอมพร้อมใจเหมือนไปซื้อของเนี่ยต่อตามกันแล้วเนี่ยตกลงแล้วบาปเหรอบาปยังไงคะบาปยังไงเถียงออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็โยมตรงตาเห็นด้วยไหมว่าชอบใจกันกำลังจะถามหลวงพ่อถ้าเป็นการยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายแหละฮะอันนี้บาปไหมฮะผิดไหมคะก็ทหารนี่มันบอกว่าบาปเนี่ยแต่เดี๋ยวฟังต่อไปค่ะบาปมันจะมาตอนหลังอ๋อ นี่เราเห็นท้องต้องกั น, นเนี่ยหัวเขาลุ่เมียใคยกระช่างเขาไปแล้วตกลงกันเนี่ยลองดองกันทำมัคีกันด่าเสียเป็นผัวเมียกันมันจะไปบาปได้ยังไงนี่เราโทรนี่เขาว่าไงอเออหน้าเชื่อเหมือนกันทําำไมจะมาจะเชื่อเหมือนกันค่ะจวนเชื่อไปแล้วปรองใจกันน ใ, ในมันสุดสุดก็บวตรที่วันนี้ค่ะบวชไม่ได้ทาอะไรเลยบอกให้เจริญกรรมฐานก็ไม่เอาบอกผมไม่เชื่อบุญบาป ผมไปทังวิทยาศาสตร์ม่เชื่อบุญบาปเอาละผู้หมวดเนี่ยลือในฐานเป็นใหญ่เลยไ ป, ป, ป, ปย ม, มุ่งผู้ยีปูยยามเมียครับแล้วก็คนโน้นบางคนนี้บ้างแล้วมาเป็นบาปเป็นกรารมถึงลูกนะทางความไม่ยีกับลูกทำไม่ถูกเลยกับหลานรักไม่ถูกวิธีทํทาความมายีลูกดูเป็นบาปถึงลูกนะผมไม่เชื่อเอาไม่เชื่อไม่มีลูกสามั่งอะไรไปมีลูกสาวสองคนเนี่ยอืบอกมีลูกสาวสองคนแล้วก็พันยาก็ไปอาจารย์สรจุฬา ด, ด้วย ปัญญาปัญญาโทในสุดก็สรุปใจความสกขาหลเพศไปอาตมาก็มาทึกไวในใบชุติบอกไม่มีลูกสาวมังแลไปอมันทึกไว้อืมเนี่ยมาเป็นบาปกา ร, รมถึงลูกเลยนะเขาก็พ่อแม่ก็ดีฝนะ่ายภรรยาก็เป็นคนดีแต่ทําไมลูกมีกรรมก็ตัวเองทำกรรมปัจจุบันใช่ไหมนะลูกก็เป็นอะไรเห ะ, ะอคะลูกเป็นผู้หญิงจ้ไม่ใช่แล้วเป็นอะไรไปตกถึงลูก อ้าวเป็นตกเหลือฟังต่อไปอยังเวลาเหลื อ, อใจร้อนใจร้อนเดี๋ยวคิ้ต่อไปมีลูกสาวสามคนมีลูกชายสองแล้วเขาก็จากในล้าโทรไปพันเอกพิเศษอ อ, อยู่กรุงเทพตั้งแต่สองพห้าร้อยไม่เคยมาวัดนี้แล้วเขาไม่สนใจกับเราในสุด ก, ก็ลูกสามคนสอบได้มาหกหมดสามคนแล้วเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ได้อยูอ่เลอเข้าสอบที่ไหนตกหมดเลี้ยวก็เป็นทําไมเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ได้นี่กรรมชัดแหละเริ่มมีกรรม ลูกสาวคนโตก็เริ่มไปร้องเพลงไปร้องเพลงที่หูเต็นร้องพี่เพลงคแล้วมาพวนร้องไปร้องเพลองอีกไปหมดสามคนเลยไปร้อ ง, องเพลงออืร้องเพลงเลยพ่อก็กุมใจวันนั้นมาเลยพ่อก็เมามาเลยไปลูกทั้งรองเท้าเลยนะไม่ไม่อยากให้ลูกไปร้องเพลงเลยไม่อยากให้ลูกไปร้องเพลงนี่กรรมของพ่อลูกเขาไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยไปชางกรรมให้ลูกถูกหลานอันนี้เรื่องจริงของอตามตมาตรงประสบมานะ ในที่สุดลูกสาวก็ชี้หน้าพอ่อไอพ่อกลัวลูกเลือด ก, ก้อนโดนลงทะเลไปสามก้อนวงทิ้งให้หมดลงทะเลไม่ต้องการเธอแล้วลูกสาวก็ชี้หน้าพ่อเลยพ่อนะดิงไม่กบหน้าลูกจะไม่กลับบ้านดิงกบหน้าก่อนจะไปแล้วออกจากบ้านไปเลยคือเพื่อนคุณในพระเอกที่เป็นพ่อหนูสามคนนั้นค่ะไอสุขส่วนก็ไปเจออ้าวเธอมาไงเนี่ยเธอมายังไง ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าพ่อไปฮะอืไล่เราจากบ้านเลยฮะแล้วก็มาเป็นขายตัวอย่างเงี้ยออืก็ดีเหมือนกันเนี่ยไม่ต้องลงทุนมากเนาะแล้วก็บอกเธอมาอย่างไงเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์นี้อืเลยก็ในพันเอกนี่ก็ออกจากคองไปเลยบอกแห่เนี่ยนี่มันลูกสาวเพื่อนกลับไปก็มาบอกอกพ่อบอกเพื่อนเ้าเพื่อนมาพอดึกบอกเพื่อน เขาพูดกันแบบเพื่อนนะว่าไปเจอลูกสาวลู้ไว้อืมพี่หนุกพัทยาอืมก็เลาเหตการพ่อลังตาร่วงทันทีอพอลังตาล่วงเลยแม่กว่าลูกจะไปเป็นอย่างนี้ก็ น, นึกว่าแพ่ไปร้องเพลงอเท่านั้นนะมันเลยร้องเพลงไปแล้วแล้วก็พอดีนะกบหน้าจะไม่กลับมาอืมนะก็ราดนจบไปเเลยว่าเสียใจมากเสียใจ แ, แม่เขามาจากการสอนก็เล่าให้แม่เขาฟังอาจารย์ นาโคนต่างร้องไห้จะทํายังไงดีเนี่ยเลยก็ไปโค้นหีบแล้วไปเจอใบสุทธิเทมาบวชวันเลื่อมไปเนี่มันเคยกลับมาหาเราเลยหลวงพ่อเขียนเอไว้ว่าเขียนเอกไม่ไมีลูกสาวต้องเลยไปอไปแล้วเขาไม่อยู่หรอกเราเขียนไร้ทายเลียนใบชุธิหล้าสุดึกต้องเซนค่ะแต่เราเขียนทายเลียนนั้นไม่เห็นเห็นแล้วเขาเนี่ยอืมแล้วก็พากันมาที่วัดภงวันเพื่อมเชียเวลาพากันมาเลยมากราปราบแล้วถาม หลวงพ่ออาจารย์ผมได้ไหมร้อยโทรเมื่อสองพันร้อยอาจำได้เว้ยให่ใช่ไหมใช่ครับเป็นไงผมเชื่อเวีกรรมนะครับที่หลวงพ่อบอกว่าไม่มีลูกสาวบ้างแล้วไปบัตรนี้หมดแล้วครับมหมดแล้วเสียหายบอกเอาอยากแก้ไหมพูดถึงเรืแก้นะอยากแก้ไหมจะแก้ไงครับลาพัก้อนมาสองคนเนี่ยดูถูกหลักผู้ช น, นะ ว่าไม่มีบุญมีบาปได้แต่ตัวคุณแล้วนะคนที่ไม่เชื่อเนี่ยจะได้ประสบก่อนอไอ้คนเชื่อเนี่ยประสบทีหลังเลยลาพาร้อนมาคุณจเจ็ดวันแต่สามีอยู่ที่ไหนอตอนนั้นวัดยังไม่ค่อยนั่นเรียบร้อยแล้วแต่พันยาอยูุ่งใต้ก็ทํำนั่งกรรมฐานเดินจงกกลมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงเอาเล ย, เ อ, อยเอาอย่างเอาอย่างเครียดแล้วก็แผ่ไม่ตายให้ลูกอย่าด่าลูกต่อไปนะ อ, อย่าด่าลูกแล้วก็ขอฝากเขาด้วย ไปไหนปันย า, ย, ยาวไย้ใยาวเบาเรื่องเกา่ายังมาเลื้ฟื้นเรื่องอื่นอย่างอื่นอย่าคิดคิ ด, คดทุกข์ทางไม่เสร็จอนาคตอย่าจับมั่นให้มันคั้นมันตายกระเสียใจต่อภายหลังอย่าไปจับมัน่นเลยก็มานั่งกรรมฐานกันพอเสร็จแล้วก็ขอให้แผ่เมตตาอย่าไปคิดเท้าความหลังเรื่องเกา่ายังเลื้ฟื้นของลูกขอให้ลูกมีความสุขขอให้ลูกมีความเจริญต่อไปพ<ห>อลูกมีความสุขความเจริญต่อไปแล้ว เขาก็ตีถึงพ่อแม่เขาตีถึงพ่อแม่เขาแล้วบวท่าเขากราบไปลูกกราบมาหมดเลยเนี่ยกรรมฐานแต่ไม่ตาให้ลูกอือลูกกราบมาหมดเลยแล้วก็พามาที่วัดนี้สรุปใช่ใช่สามคนนั่งกรรมฐานหมดออนั่งกรรมฐานเพื่ออะไรให้เกิดปัญญาเนี่ยพอนั่งกรรมฐานสติปัญญามาอยากเรียนหนังสือ อ, อยากมาอยากเรียนหนังสือแหละพอเจ็ดบานขอลาไปลาไปก็ไปไปเรียนรมคําแหง จบปริญญาตรีทั้งหมดสามคนได้เกียรนิยมด้วยครูออกปากว่าเรียนดีมากมเนี่ยกรรมของพ่อเนี่ยทำให้มึมนเมาสมองไม่อยากเรียนหนังสือแล้วก็สอบสังกัดให้สอบไปมันจะได้อะไร<ม>ตอนนี้มันน่ากลรมมานกานมหมดแล้ว นี้ก็มาถึงเส้นข้อสี่บ้างมุสาวาทาค่ะหลวงพ่ อ, อการพูดปลดหลวงพ่อมีมีอะไรจะเล่าให้ฟังเป็นเกล็ดเมื่อกี้นี่พูดค้างเอาไว้เรื่องการส า, าบานใช่ไหมอ่าโกหกยายอ่าไปซื้อชุดเสือล้อย่กพุ่งเปืยนักนะอย่าวยาไปบ้านไะอ่านข้อหน่อย ยี่สิบบาทจะไปพอเลยเท่านี้สิถึงจะพอยี่สิบบาทจะไปพอเลยต้องร้อยนี่ จลันเอาเงินยายไปหรือเปล่าทำไมล่ะครับยายเงินยายหายไปร้อยหนึ่งไม่ได้ไปจริงๆครับแน่นะไม่โกหกนะโถ่ยายผมไม่ได้ไปจริงๆครับคุสาบานนะล่ะถ้าผมไปจริงๆนะคอยฟ้าผ่าเลยฟ้าผ่าแล้วผ่าที่กูตีนี่เลยอ๋อผ่าแล้วหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยร้ อ, อนไหมหมดเลยไหมเราให้ชัดเนี่่ ให้การช้าบานเนี่ยหรือการบนบานส้างกล่าวเนี่ยขอประชาชนที่น้องไทยฟังไว้ไม่ใช่หเราค อ, อวัชรทอหกอักคอหรือว่าหลวงพ่อเุโยหักคอเสียสัจจะในบนบานเนี่ยมันอจิธานแรงขอให้ยายอย่างนั้นขอให้ยาอย่างนี้แล้วจะแก้บนอย่างนั้นอย่างนั้นกรรมนี่แรงมากแล้วไม่ทําตามเจตนาหัา่นผิดกรรมมือกรรมบังบวถ า, ามนี้ได้รับกรรมทัานดูไม่ใช่หลวงพ่อเชโยหัคอท่านไม่รู้เรื่องหรอก เช่นหลวงพ่อสานประการจงวัดลบรีเนี่ยเราไปบ่นบ า, นาลช้างก่าววันแต่แล้วเราไม่ทําตามไม่ได้มาแก้บ่นไม่ใช่บาปอย่างนั้นผิดเจตนาเจตนาเสียสะจะเป็นกรรมอจด้เนี่ยนี่มาก็บอกกับยายถ้าบานได้ให้ฟาผ่าฟาผ่าตมาแล้วอืม้อนไหม้หมดเลยเนี่ยอยากโยมดูโย่อมให้โดน อ, อ๋อตาตมาทีแรกนึนกว่าฟ้าผ่าเนี่ยมันจะมีฝานฟ้าน่ะมันจะมีขวานขว้างลงมาไหมไม่ใช่ สายเขียววิ่งเขเ้ามาก่อนอปอปไปไปไปไมาเดี <ne S 2> ๋ยวสายแดงวิ่งมาชนกันต่อหน้าเลยอหูนั่งอยู่ในกุฏินี่แหละนอนกุฏินอนรับแขกละมาณบ่ายสี่โมงแล้ระยะโยมก็มาเป็นเกมมาเนี่ยระยะโยมก็หูอื้อไปโยมโยงตาจัาไปอย่างถ้าผ้าผ่าตรงนี้จะไม่ผดีหูจะอื้อถ้าผ่าไกลจะได้ยินเสียงดัง แบบแรกมันจะเปรี้ยงแต่นี่ไม่มีแพรบเลยนะมันตัดตัดตัดสายเขียวกับสายแดงมาชนกันที่เราอยูบอนไหม้หมดเลยนะยูบอลนี้ไหม้หมดเลยนี่คือผลจากการสถาบันยาญสถาบันไว้บอกให้ฟ้าผ่านอืแต่เราฉลาดในการสถาบันอย่าบอกว่าตายถ้าตายคงตายแล้วเนี่ยแต่กรรมตามถนองเนี่ยเพราเราเจริญกรรมฐานหลังจากตมาคอหักมาแล้วก็ทัญญากับ เข้าวดวงมาลูกทูบไว้ด้วยชววันให้ข้าพเจ้ากลับมาละใช้กรรมให้หมดไปชาติหน้าข้าพเจ้าจะไม่มาแล้วมันจึงได้รับกรรมหมดไอ้นอนก็โผล่ไอ้นี่กโพมาอยา่าคิดว่าเราทำดีไม่ได้ดีเลยทำดีก็มีกรรมมาไม่มีบา ร, รมีไม่เกิด คือสุราเมรยาตมชะชะปมาทฐานาคือห้ามดื่มสุราเมรย า, ราคือข้อดีเนี่ยเท่าที่ฟังมาแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นบาปนะมันบาปได้ยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ดื่มเหล้าโดยที่เราก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะหลวงพ่อเอาละเดี๋ยวจะบอกโยมให้ฟังคนไทยแล้วนะชอบเลี้ยงค่ะตั้แต่มาไป็นเด็กมาแล้วเขาโคตแรงปลูกเรือนปลูกเศรษฐเลี้ยงเหล่า อขอแรงเกี่ยวข้าวขอประทานโทษเขาจะเรียกเป็นยังไงประธามแต่ภาคกลางเแท้แถวบ้านอันตมาเรียกว่าลงแขกหยุดข้า่ะพราะเกี่ยวเสร็จแล้วเลี้ยงน้าตาเนี่ยเลี้ยงเหล้าเลี้ยงน้ําอูอเลี้ยงทุกนานแล้วก็มีเพลงเกี่ย ว, วข้าวด้วยนะคย้อมย้ลงตาว่าเป้ไม่เล<ค>่าเคยดูค่ะเคยไปทํารายการประเภทนี้ด้วยวงนี้ว่าได้ด้วยใช่ไหมพยายามจวางจนร้างวางไม่ได้แล้วนะเขาต้องเลี้ยงเหล้าค่ะ แล้ว ง, งานแต่งงานก็เลี้ยงเล่าบวชหน้าก็เลี้ยงเล้างานศพยังเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงทุกงานเพราะคนไทยมันชอบเลี้ยงอืแต่ปัญหามันมีอันหนะึงนะเลี้ยงอะต้องรู้จักการเรรักษาไม่ใช่หมายความว่ากินเล่ามาดีแล้วดีก็มีมาดีก็มีแต่ย้อนถามว่ากินเหล้าบาปไหมบาปใช่ไหมใช่ไหมเอาละ่ะตอบทันทีกินแล้วไปทําบุญไปช่วยงานเขาก็ได้บุญกินแล้วไปเช่าดาเขา ไปหาเรื่องเขามันก็เป็นดาเพียงเป็นดาเพียงคู่ก็อย่างเนี้ค่ะบัคคนกินแล้วทํางานจะพุชเลยอืทํางานเขาก็ได้บุญของเขาค่ะนะกินโดยระยะแต่กินแล้วไปช่อดา่าชาบ้านเขาเดือดร้อนเชียบเงิือนจะทองเงี้ยบาปนเนี่ยเดือดร้อนบัคคนกินแล้วมาช่วยงานวัดมียกตัวอย่างคมาช่วยทํากูตีช่วยทําโน่นทํานีออ่อะไรอะไรมันก็ได้บุญสินี่หมายถึงว่า ก, กินเล้าได้บุญได้บาปนี่หมายความอย่างนี้ แต่เราก็ขอมีปัญหาอีกที่ะื่นเหล้าอยากจะได้บุญได้บาปปวดน้ําเท่าน่อยกวดน้ํำเขาไม่มีใครเลยนะใช่ใครคะถองคนกินกวดน้ําหน่อยคนกินกวดน้ําให้ใครคะอปวดน้ําที่รู้จักวิธีกวดน้ำไหมอย่าบอกให้ปวดน้ําแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ใครเราไม่ต้องออไม่ต้องค่ะกวดนําได้เหมือนใครอเราหากครกินเหล้าภายในวงเนี้ยนะแก้วใครแก้ามันยาวซ้ํานะค่ะ อ่าตากล้ามให้เต็มเลยตากล้ามเต็มตั้งนโมสามจบตันโมสามจบแล้วกินให้มากข้าพเจ้าวันนี้ข้าแรงงานร้อยบาทอืข้าพเจ้าค่าแรงงานร้อยบาทแล้วกินเหล้าวันเนี้ยต้องร้อยห้าสิบาทนะแล้วลูกเมียจะมีกินไหมแล้วลูกจะมีเรี้ยงนังอีไหมนี่กรวดน้าพอกรวดน้ำส<ม>ามครัง้งแล้วดื่มก็ไปดื่มให้หมดเน<ม>ี่ยได้บุญแนะอืม่มเหน้าขวดน้ํา วนน่าเนี่ยค่าแรงงานร้อยบาทกินต้องร้อยห้าสิบต้องพูดในใจอ่ะแล้วมันจะนึกขึ้นมาแล้วอีกย่างเนี้ยนี่ชั่วาไม่ระยะกินแล้วทําบุญมันก็ได้บุญทีแล้วไปทําบาปมันก็ได้บาปนี่พูดงั้นสั้ๆไม่ฆ่าสัตว์แล้วมีเมตตาแล้วไม่บิดเบี้ยงช้าพงไขแล้วไม่อยากได้แล้วก็สันโดดมากน้อยระหว่างสามมีทยายาของตนแล้วแล้วก็ไม่โกหกโกว่าใครเขาจะเลิกดื่มเหล้าด้วยอัตโนมัตมิจึงไว้คร้งสุดท้าย ถ้าสติไม่ยีเนี่ยมันก็ยังกินอยู่มันก็ประมาทอยู่ตลอดเวลาการมันต้องมีขั้นตอนมนุษย์เราเนี่ยมีห้าขั้นตอนอชั้นประทมหนึ่งประทมสองขึ้นประทมหนึ่งประทมสองสอบได้ 3, 4, ประทมสามประทมสี่ปทมห้าก็สอบได้โดยไม่เดิ่มพุลาเลยไม่ต้องมีใครช่วยสอนอือนี่ยอันนี้เรื่องจริงอยู่ตรงนี้บางคนไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจเยอะเลยถึงห้าก็เป็นอันว่าวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราว กดแห่งกรรมซึ่งโยงใหญ่ไปถึงศีลห้าแล้วนะคะต้องกราบนมสัส ก, การหลวงพ่อค่ะค่ะท่านชมนคะศีลห้านะคะก็ถือเป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานของการรักษาศีล น, นะคะซึ่งจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับช่ชุดประจำวันของเราทั้งสิ้นนะคะถ้าเผื่ว่าใส่ใจแล้วก็ตั้งใจพยายามที่จะรักษาศีลกันนียนะคะ คงคงทำไม่ยากเลยนะคะเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆเพียงแตใช้ขันติหรือว่าความอดกลั้มความอดทนนะคะเพื่อที่จะมาเป็นเครื่องเผาผลาญความชั่วที่เราจะก่อให้เกิดขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะฟังมาวันนี้แล้วคิดว่าท่านชมคงจะได้ข้อคิดว่า กฎแห่งกรรมนั้นไม่ต้องรอถึงชาติหน้าตามกันได้ภายในชาตินี้เพราะฉะนั้นก็ควรจะเร่งทำความดีไว้เพื่อหลีกหนีกฎแห่งกรรมกันนะคะวันนี้ต้องขอลาท่านชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทำดีได้ดีนั้นมีแน่ทำชั่วแต่ได้ดีมีที่ไหน ที่ทำชั่วเห็นดีอยู่จงรู้ไว้มันเหมือนไฟใต้ฐานไม่นานร้อน